เธทุกคืนเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองแต่วันที่เธอไร้ร่างกายจนสุกท้ายเธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยนคล้ายเทียตอนหลับฝันร่างหนึ่งทีนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจ่นา เป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทัในความฝันอเลียงร้อยกันจนดูซับ